ภาวะก็ะเกิดมีความสงสัยขึ้นมาทันทีเธออยากเห็นพระพุทธเจ้าไหมภาวะกรลือกอยากเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับนิ้วเท้านีนมือของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมถ้าหนูเห็นธรรมเขต้องเห็นตัวหนูเองกําลังทำกําลังพูดกําลังคิดเรียนหนังสือมากๆจนได้เป็นปริยาตีปริยาโท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 สัญญาอันนี้เกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยี่วะญานิปัสนาเข้าไปรู้มันเข้าไปรู้ไม่ใช่มันเข้าไปคือความรู้อันนั้นแนละสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็เลยเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงบัด น, นี้ทำความเพียรลงไปละเลิกความรู้คิดเห็นต่างๆและตำรับตำราอะไรต่างๆมาจาับัจะความรู้สึกเท่านั้นเอง